ก็สมุปไปไม่ได้เลยหลวงปู่บุญมีก็บอกว่าถ้าให้ข้าผมสะดวกไม่ไปสะดวกกว่าข้าผมมั้ยจ๊ะหอหลวงปู่บุญมีตอบองหลวงตาถ้าไม่ไปสะดวกกว่าก้าผมเออเอาทำไมสะดวกก็ไม่ต้องไปเอาทำรีไปก็เลยเอาหลวงปู่ลีไปหลวงปูล่ลีไปทารีเลย ท่านเรียกหลุงปู่ลีเนะี่ยทำลีเรียกลุงพ่อก็าวาทำอินเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้ลูกเอาทำลีไปลุงปู่ลีก็เลยติดตามเราก็เลยถามหลวงปูป่บุญมีเอาคูยานทำไมคูยานจึงไม่สะดวกกับการไปอ้ยผมสุขภาพของผมก็อย่างนี้เอะผมก็อายุกแก่มากแล้วไม่คล่องไม่คล่องแคล่วไปกลัวจะเป็นภาระของพ่อแม่คูยาย์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 ก่อนนั้นเงินจำนวนมากมาสร้างเจดีพิพิ ธ, ธพภัณฑ์หลวงตาท่านไม่ปราถนาอย่างนั้นหรอกคนอย่างนี้ก็มีพู้อย่างหนึ่งว่เอยหลวงตาทำคุณูปการให้แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาลเป็นหมื่นหมล้านคิดดูสิทองคาเข้าคลังห้วงสิบสามตันกว่าแล้วก็เงินดอลลาร์สิกว่าล้านกว่าดอลลาร์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 พระสงฆ์เรานั่นก็นงงแตกเลยตอนนี้เอ้าทำไมรูปร่างของท่านจริงเล็กนักไปเจ้าขาดเออทาไมท่านจริงได้เป็นพระมหาเทระบุญหนักศักย์ใหญ่ขนาดนั้นทําไมรูปร่างยังเล็กเพราะในอดีตชาติปพรงโ์บอกในอดีตชาติตกรในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะกัสโปโฌ ร, ริสัมปันโน เ, เขาเป็นนายช่างใหญ่เออแล้วก็นี่ยนะประชุมหารือกันเขา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 บาปกรรมของท่านบาปของท่านก็คือท่านตัดกรอนพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าก็จปะให้เตี้ยลงนี่แหละใครก็ตามสมัยนั้นคงบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่น่าจะไม่น่าจะถูกต้องนะบางทุนก็เห็นด้วยคึ่งๆกลางๆเพราะนั้นกองใหญ่ก็ไม่ใหญ่เตี้ยก็ไม่เตี้ยพวกที่เห็นด้วยกับพระลักขุณพระพัิยาน่ก็คงจะเตี้ยมาตลอดมั้ง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 ถ้ามันจะใหญ่เอาเอาเลยเขามันดีเลยนะอนุโมทนาสาธุอแต่มันเสร็จแล้วจะให้เดือดร้อนคนอื่นอย่าทํานะอถ้าทําไปแล้วเดือดร้อนคนอื่นไม่ดีตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเองก็หาเงินปลกุกปลกุกผลนี้สุดเส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากสร้างเจตีก็ยังไม่เสร็จอย่าให้เดือดร้อนนะถ้าว่าตัวเองทําได้เอาเอาเลยสิ่งเหล่านี้มันต้อง